จนาสากลไรเชิญตะวันตำบลห้วยศัก์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายขอเชิญท่านสาธุชนโปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพณบันนี้ เรนพรครูบาอาจารย์ทุกท่านวันนี้พวกเรามาเรียนรู้ธรรมะเป็นกรณีพิเศษเป็นกลุ่มเล็กๆนะเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆทางด้วยชนตวันก็ตั้งใจกับทุกคนเสมอเพราะเราถือว่าทุกคนสําคัญหมด และไม่มีใครมีวันนี้เป็นครั้งที่สองฉะนั้นเราต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดอาตอมาถือเป็นหลักอยู่ประการหนึ่งว่าเมื่อทำงานต้องทำให้ดีที่สุดพูดอยู่เสมอว่ารับประกันทุกการเทศไม่ว่าจะเทศให้คนน้อยไม่ว่าจะเทศให้คนมากฟังก็ให้น้ำหนักเท่ากัน ได้มาถือเป็นหลักในการทํางานว่าทําให้ดีที่สุดณจุดที่ทําทําให้ดีที่สุดณจุดที่ทําเป็นให้ดีที่สุดณจุดที่เป็นคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามก็ทําให้ดีที่สุดเพราะเราจะนั่รู้ดีว่าเมื่อเราได้จับทาอะไรก็ตาม เราทำในมิติของเวลาและเวลาแต่ละนาทีนั้นแต่ละชั่วโมงนั้นแต่ละวันนั้นจะไหลผ่านเราเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตไม่มีใครมีวันนี้เป็นครั้งที่สองฉะนั้นเมื่อเราได้จับทำอะไรก็ตามเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดพระพุทธองค์ตรัสเตือนเอาไว้ว่าอจเชวะกิ จ, จมาตปัง โกชัญญามรุนังสุเวควรทำวันนี้ให้ดีดที่สุดเพราะใครเลยจะรู้ว่าความตายอาจจะมาถึงในวันพรุ่งนี้น้อยคนนักที่จะรู้ว่าความตายจจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ที่เบตจึงมีสภาพเสด็จอยู่ว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันความตายเกิดขึ้นได้ทุกขณะทันทีที่เราเกิดก็เป็นการแสดงในแยกอยู่ในทีว่าเรายอมรับความตายเพราะเกิดดรงข้ามกับตายการกลัวตายเป็นความกลัวที่ไรเหตุผลเพราะถ้าคุณเกิดคุณตายแน่ เอาเบอร์อันสไต้พูดไว้ความกลัวตายเป็นความกลัวที่ไรเหตุผลเชนนีหนึ่งคุณกลัวทําไมในเมื่อคุณตายอยู่แล้วดังนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าอย่ากลัวตายแต่จงเรียนรู้จากความตายถ้าคุณเรียนรู้จากความตายคุณจะรู้วิธีที่จะอยู่วิธีที่จะอยู่ให้เป็นก็คือต้องเรียนรู้ว่าวันหนึ่งเราจะตาย หลายวิธีที่จะตายให้เป็นก็คือรู้ว่าเราจะอยู่ยังไงถ้าเราตระหนักรู้ว่าเราจะตายเราก็จะตระหนักรู้ว่าเราจะอยู่อย่างไรได้ด้วยนะฉะนั้นท่านจึงเตือนมาให้เราคิดว่าทุกวันคือวันสุดท้ายของชีวิตให้เราคิดอย่างนี้เสมอทุกวันคือวันสุดท้ายของชีวิตสติจ๊อเป็นคนหนึ่งที่มีคติประจำตัวอย่างนี้ ตื่นเช้ามาแกบอกว่าตั้งแต่อายุสิบเจ็ดตื่นเช้ามาทุกวันแกนจะไปยืนหน้ากระจกถามตัวเองว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายฉันจะยังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ไหมถ้าคําตอบคือไม่ใช่เพียงสามวันเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทําอย่างอื่นทันทีแต่ถ้าได้คําตอบออกมาว่าใช่ใช่ใ ช, ใช่ทุกวันเขาจะทําสิ่งนั้น และเพราะการถือว่าทุกวันคือวันสุดท้ายของชีวิตสตีฟจ๊อบจึงมีปรัชญาในการทํางานว่าเมื่อทําอะไรก็ตามต้องทําให้ดีที่สุดถ้าไม่ดีที่สุดเขาจะไม่ส่งมันถึงมือลูกค้านี่คือปรัชญาเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของแอปเปคือการระลึกถึงความตายอยู่ทุกวันถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่ทุกวัน ความตาจะเตือนว่าคุณไม่มีเวลามาแก้ตัวนะคุณไม่มีพรุ่งนี้ให้แก้ตัวนะคุณมีแต่วันนี้ฉะนั้นคุณทาอะไรก็ตามคุณต้องทาให้ดีที่สุดเพราะมีวันนี้เท่านั้นที่อยู่ในมือคุณไม่มีอะไรเป็นหลักประกันเลยว่าจะมีวันพรุ่งนี้ไม่มีฉะนั้นเราจะต้องดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดพุทธศาสนาย้ำนักย้ำหนาว่าให้อยู่กับปัจจุบัน จงอยู่กับปัจจุบนันเพราะปัจจุบันนั้นอยู่กับคุณเมื่อวานจบไปแล้วุวกนี้ยังมาไม่ถึงปัจจุบันยังอยู่ในมือคุณและดังนั้นปัจจุบันคือความจริงที่จริงที่สุดที่คุณสามารถบริหารจรัดการได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอเราจะไม่ประมาท และเราจะใช้ชีวิตทุกวันให้เป็นชีวิตเชิงคุณภาพไม่ใช่สักแต่ว่าใช้ชีวิตแต่เราจะใช้ชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อสองปีก่อนอาจามาได้สูวนเสียลูกเสียคนด่งไปลูกเสียคนนี้เป็นคนที่ดีมากเป็นชาวคริสเตียนแต่มีศรัทธา ทั้งในพุทธศาสนาและในศาสนาคริสต์เขาได้นิมนต์ให้ธรรมมาไปแสดงธรรมที่ต่างประเทศเขาไปเช่าโรงหนังแล้วก็ปิดประกาศไปทั่วเมืองหลวงของประเทศนั้นเชิญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาฟังเทศ เมื่อถึงวันที่จะมาไปแสดงธรรมเขาตกใจและดีใจจนร้องไห้เพราะโรงหนังแห่งนั้นเต็มทุกที่นั่งจนต้องยืนกัน <S <S เขาบอกว่าผมไม่คิดว่าคนจะสนใจธรรมะถึงเพียงนี้มเมื่องานนั้นจบลงเขามีความสุขมากเ<ม>ขาบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ปีหน้าผมจะจัดอีกครั้งหนึ่งและผมจะจัดให้ดีที่สุด ผมจะเชิญคนมาให้เต็มหอประชุมใหญ่ของเมืองหลวงแห่งนี้สักหมื่นคนผมจะนิมนต์พระอาจารย์มาเทศอีกรอบหนึ่งเพราะผมรู้แล้วว่าคนต้องการธรรมะแค่ไหนเขาก็วางแผนไว้อย่างนั้นหลังจบงานนั้นเขาก็ไปตรวจพบว่าตังป่วยด้วยโรคร้ายแรง ก็าตกใจมากหมอสั่งห้ามเขาใช้ชีวิตแบบเดิมคือทำงานหนักวบอเกอร์ฮอลิทำงานหนักหมอบอกว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตอยู่ต่อคุณต้องเลิกใช้ชีวิตแบบเดิมที่ทำงานหนักเป็นพายุบุคเคมแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเขาเชื่อหมอและไม่น่าเชื่อโรคนั้นหายไป เขาดีใจมากก็เลยวางแผนว่าปีหน้าจะนนิมนต์พระจันทร์ไปอีกรอบหนึง่งเพราะเขาหายแล้วอยู่มาวัานหนึ่งขนาดที่กําลังเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะกลับมาประเทศไทยตือนเช้ามาเขาก็อารองเท้าไปแช่เป็นรองเท้าคู่โปรดแช่รองเท้าไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซัก ขณะที่แช่รองเท้านั้นเขารู้สึกว่าฟุตฟิตฟุตฟิ ต, ฟ ต, ฟตเป็นหวัด ร, รู้สึกตะขันตะคอเหมือนจะเป็นไข้จึงแช่รองเท้าไว้ก่อนแล้วก็ขับรถไปที่โรงพยาบาลไปให้หมอตรวจและขอรับยาแก้หวัดพอไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจอาการแล้วหมอก็เดินออกมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีหมอบอกว่าคุณต้องนอนที่โรงพยาบาลวันนี้ ก็ถามหมอว่าหมอผมเป็นอะไรผมเป็นหวัดไม่ใช่หรือไม่ใช่หวัดโรคนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งหมอไหนว่าผมหายแล้วไงใช่คุณหายแต่นั้นมันเรื่องเมื่อวานวันนี้ที่หมอตรวจนะ่ะมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ร้องไห้เลยช็อก แล่ไม่ได้กลับมาเก็บเข้าของละนอนโรงพยาบาลไม่ถึงเจ็ดวันเชื้อร้ายลูกลามอย่างรวดเร็วก่อนเดจากโลกนี้ไปเพื่อนๆต่อสายโทรศัพท์จากต่างประเทศให้เขาคุยกับอาตมาอาตมาคุยกับเขาได้สักพักหนึ่งไม่คิดว่าจะร้ายแรงแต่พอได้คุยปรากฏว่าลิ้นพันกันเขาพูดไม่รู้เรื่องอาจารย์ก็าบอกว่าลูกไม่ต้องพูดลูกประนมมาออาจารย์จะสวดให้ก็เลยสวดมนต์ให้เขา ส่วนมนเสร็จก็วางหูรู้สึกมีอะไรหลายอย่างที่อยากจะพูดกับเขาแต่ทำได้ไม่ถนัดเพราะเขาพูดไม่รู้เรื่องล่ะอาดามาจึงเขียนอีเมลขึ้นมาฉบับหนึง่งแล้วส่งไปบอกญาติว่าให้อ่านให้เขาฟังที่ข้างเตียงว่าเขามีคุณงามความดีอย่างไรบ้างและพระอาจารย์ชื่นชมเขาแค่ไหนเพื่อจะประยุง์จิตใจของเขาให้รู้สึก พักภูมิใจในชีวิตถ้าจิตใจดีงามเวลาล่วงรับดับขันเขาจะไปสู่สุคติตามคติพุทธและเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็จะโรคนี้ไปไม่ถึงเจ็ดวันเพอาจากโรคนี้ไปพี่สาวญาติเสียใจมากพี่สาวตรงไปที่คอนโดน้องชายเพื่อเก็บของเปิดประตูเข้าไปพี่สาวตกใจเข่าซุดและร้องไห้ อยู่หน้ากละลมังน้องชายแช่รองเท้าเอาไว้ตั้งใจว่าจะกลับมาซักยังไม่ทันได้กลับมาเลยความตายไม่เปิดโอกาสให้ต่อรองไม่บอกล่วงหน้าไม่ส่งสัญญาณเตือนพี่สาวนั่งลงซักรองเท้าให้น้องแล้วก็ตาก แล้วก็เป่าให้แห้งเธอบอกตัวเองว่าน้องดีขนาดนี้พยาแมตตูราชก็ยังมาเอาไปทำไมมันเร็วเหลือเกินนี่คื อ, อราหอนที่สำคัญมากสำคัญมากว่าเราไม่มีเวลาพอที่จะแช่รองเท้าทั้งวันนะ ฉะนั้นถ้าเราจะซักรองเท้าเราต้องซักเลยดูอิดแนวทอทอทอทำทัน ท, ทีเพราะบางทีเราแช่รองเท้าไว้แต่เราไม่มีเวลาได้มาซักเพราะความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเอาทุกคนต่างก็มีรองเท้าหลายคู่ บางคู่อยู่ในตู้บางคู่อยู่ในกล่องบางคู่แช่อยู่ในกระมังคำว่ารองเท้าหมายถึงภาระที่เราแบกหามเอาไว้เต็มสองบาทเต็มสองไหลฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะปลดปลงภาระจะแช่รองเท้าไว้ให้นานนักเพราะบางทีเพลือออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้กลับบ้าน นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณมีภาระอะไรถ้าบริหารจัดการในวันนี้ได้คุณต้องทำทันทีนะเราไม่มีเวลามากพอที่จะแช่รองเท้าทั้งปีทั้งชาคิดถึงรองเท้ากองเด้งว่ามีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ซักที่ยังไม่ได้ตารองเท้าก็คือพ่อแม่ของคุณคุณดูแลยังไง รองเท้าคือลูกแก้วเมียขวัญของคนคุณให้เวลาเขาหรือยังรองเท้าคือตัวของคุณเองเช่นสุขภาพของคุณคุณดูแลหรือเปล่าหรือคุณเอาแต่แช่รองเท้าไว้แล้วก็ตั้งใจว่าจะกลับมาซักโดยการบอกตัวเองว่าว่าจะว่าจะทำเรื่องนั้นว่าจะทำเรื่องนี้ว่าจะทำสิ่งนั้นว่าจะทำสิ่งนี้ปุ๊บปับเกิดเป็นอะไรขึ้นมาคุณไม่ได้ทา คุณได้แต่ว่าจะและพอถึงเวลาที่ใครใ ค, รคอนใดคนหนึ่งลงรับดับขันไปคุณก็มักจะพูดว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้น่าจะทำอย่างนั้นรู้อย่างนี้น่าจะพาพ่อไปกินข้าวรู้อย่างนี้น่าจะพาแม่ไปกินข้าวคุณก็ได้แต่ว่าจะว่าจะคนที่พูดว่ารู้อย่างนี้นั้นแท้ที่จริงไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะถ้าเขารู้เขาจะไม่รอ ฉะนั้นเราทุกคนต่างก็มีรองเท้าที่แช่อยู่คนละหลายหลายคู่คาคืนนี้ขอให้พวกเราคิดว่าเราจะแช่รองเท้าอีกนานแค่ไหนรองเท้าคู่ไหนที่ไม่จําเป็นต้องแช่อยากจะซักซักเลยถ้าแช่ก็จะทิ้งไว้นานซักตากแก้ปัญหาทัานทีทันควันผูดด้ดูเรื่องนี้แล้วทําให้นึกถึงนิทานสุภารรเสียตชาวที่เบต มีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งเป็นพระมหาเทระอายุแปดสิบทุกวันหลังทําวัดส่วนบนตอนเย็นก่อนเข้านอนท่านจะนั่งจิบชาจิบชาเสร็จแล้วท่านก็จะล้างถ้วยชาล้างถ้วยชาแล้วก็ผ้ามาเช็ดเอาผ้ามาเช็ดเสร็จแล้วก็คว่ําด้วยชาไว้ยังเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันตั้งแต่อายุสามสิบต น, ตนจนบัด น, นี้ท่านชราภาพมาอายุถึงแปดสิบหลังจิบชาท่านล้างถ้วยชาด้วยตนเองทุกคืนและเก็บเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วจึงเข้านอนเป็นอย่างนี้ทุกคืนตั้งแต่อายุสามสิบต น, ต น, ตนจนถึงแปดสิบวันหนึ่งน้องเลนรูปหนึ่งซึ่งเป็นเนอุปถาก ค, คือผู้ดูแลท่าน สังเกตเห็นพฤติกรรมของหลวงตามานานแล้วจึงสงสัยอยู่ในจิตในใจค้างเขไปถามว่าหลวงตาขอรับถ้วยชาที่หลวงตาจิตทุกคืนก่อนนอนนะหลวงตาไม่เห็นต้องล้างเองเลยให้ลูกเนนล้างให้ก็ได้หลวงตาก็สูงอายุแล้วทําไมต้องทำเองทุกอย่างหลวงตาบอกว่าลูกถ้วยชานี้ เป็นถ้วยชาของหลวงตามันเป็นภาระที่หลวงตาจะต้องรับผิดชอบเองที่หลวงตาต้องล้างถ้วยชาที่หลวงตาจิบเองทุกคืนด้วยตนเองเช็ดให้แห้งและจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยที่หลวงตาทำอย่างนี้เพราะหลวงตาไม่รู้ว่าหลังจากเข้านอนคืนนี้แล้วจะมีวันพรุ่งนี้ให้มาล้างถ้วยชาหรือเปล่า ฉะนั้นดงตาต้องล้างคืนนี้ทำวันนี้ให้เป็นวันที่สมบูรณ์ที่สุดในตัวของมันเองเพราะเรามีวันนี้แต่เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่านี่คือที่มาของสุภา ษ, ษิตที่ว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนกันฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตดังเดืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายครเยพิพิจรนารณาได้อย่างนี้ ท่านจะไม่สักแต่ว่าใช้ชีวิตแต่ท่านจะใช้ชีวิตนี้อย่างดีที่สุดส่วนคนที่ประมาทแล้วก็มัวเมาเขาจะสักแต่ว่าใช้ชีวิตส่วนคนที่รู้ว่าความตายนั้นเป็นสัตรูธรรมสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมื่อนั้นคนอย่างนี้จะใช้ทุกวันอย่างคงค่าที่สุดและจะไม่ประมาทในห้าสถานะหนึ่งเขาจะไม่ประมาทในชีวิต ว่าจะยืนยาวสองเขาจะไม่ประมาทใน ว, วัยว่ายังหนุ่มสาวสามเขาจะไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงสี่เขาจะไม่ประมาทในเวลาว่ายังมีอีกมากและห้าเขาจะไม่ประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทําคนส่วนให ญ, ญ่มักจะประมาทในห้าสถานะนี้เช่นมักจะคิดว่าชีวิตเนี้ยยืนยาว คนที่คิดอย่างนี้นะคือประมาทมากชีวิตนี้ไม่ยืนยาวเลยนะชีวิตนี้ไม่ต่างอะไรกับตอมน้ําค้างที่พรางพรมในยามเช้าพอพระอาทิตย์อุทัยไขแสงขึ้นมาชั่วกับพริบตาน้ําค้างนั้นก็สลายตัวไปแล้วชีวิตนี้จึงสั้นมากรู้ดวงตาดว่าชีวิตสั้นดังสายฟ้าแลบแปรปร่าเพียงแว บ, บเดียวหายไปเลย ชีวิตสั้นดังรอยม้ที่ขีดลงบนผืนนะนาทีที่เราขีดรอยไม้ลงบนผืนน้าเราจะเห็นรอยพอยกไม้ขึ้นมาน้ําก็กลืนกันสนิทชีวิตสั้นดังหนึ่งคลื่นที่สาดกระทบบนผื้นทรายคลื่นสาดโครมครามเข้ามาพอคลื่นถอนตัวลงไปนรอยเท้าบนผืนทรายก็หายไปหมดชีวิตสั้นอย่างนี้ คนที่คิดว่าชีวิตยืนยาวนั่นคือประมาทมากในแวดวงศิละปะมีคำพูดอยู่ประวรีนนิเนึงว่าศิละปะยืนยาวแต่ชีวิตสั้นศิละปะยืนยาวแต่ชีวิตสั้นเราเราจะตายกันหมดแต่งานที่เราเสกสร้างารังสรรค์ไว้จะเป็นอนุสาวรีย์แทนเราคุณยื้อสังขารไม่ได้หรอก คุณต้องแต่งดับแน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นคุณจะฝากอะไรไว้เป็นอนุสอนว่าครั้งหนึ่งเคยมีคุณเดินเหินอยู่บนโลกนี้อาจารย์ถวันดชนัชเนยไต่ฝากงานจิตรกรรมชั้นยอดเอาไว้ให้โลกท่านล่วงไปแล้วละ่ะแต่ชื่อท่านจะยังหยัดยงเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่ารูปร่างจะเปื่อยสลายแต่ชื่อเสียงสกุลวงศ์สายจะหยัดยงนี้ันดร ฉะนั้นเราจะประมาณไม่ได้นะว่าชีวิตเรานี่มันยาวนะมันสั้นมากปุ๊บับตายง่ายๆเลยนะป่วยนิดเดียวไปตรวจที่โรงพยาบา ล, ห ม, มา ห, ลบหมอไม่ให้กลับก็หมอไม่ให้กลับคิดว่าจะแวะกลับมาเก็บของที่ไหนได้แอดมิดครั้งเดียวแล้วจบเลยบางครั้งชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะ ฉันนี่นคุณประมาทไม่ได้ว่าคุณออกจากบ้านวันนี้แล้วคุณจะได้กลับบ้านอะไรที่ควรทําคุณต้องทําทันทีชีวิตไม่ได้ยาวอย่างที่เราคิดบางคนก็ประมาทว่าวัยเรายังหนุ่มยังสาวโอยยังไม่ตายหรอกมีเวลาเยอะอยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มอยากเสีก็เสีบอยากเที่ยวก็เที่ยวเรายังหนุ่มยังสาวจึงประมาททํางานหนักเป็นพายุโบกแคมไม่พักไม่ฟ่อนอะไรฮาโรเมะวาลงศก ไม่ได้ถูกออกแบบมาสําหรับคนสูงอายุลงสมนี้คนทุกวัยมีเสียงนอนหมดฉะนั้นต่อให้ยังหนุ่มยังสาวก็ประมานไม่ได้แดกด่าได้ทุ่มมือเหมือนกันบางคนก็ประมาาว่าเรายังสุขภาพดีจึงทํางานหนักหนาสาหัสดังหนึ่งเป็นศัตรูกับร่างกายทํางานหนักเป็นหุ่นยนต์เมามันกับงานลืมไปว่าร่างกายไม่ใช่หุ่นยนต์ จิตใจนั้นสำรานบัจใจแต่ร่างกายนั้นตรักตาำระบากสุดท้ายมีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารที่จะใช้เงินซะแล้วเพราะสังขารเขาแบกรับภาระหนักไม่ไหวฉะนั้นเราประมาทไม่ได้สุขภาพคือคำศัพท์สุขภาพคือคำศัพท์คุณไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีชื่อไม่มีเสียงแต่ถ้าคุณมีสุขภาพที่ดี คุณไปต่อได้คุณมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ถ้าสุขภาพคุณไม่ดีนาฬิกาของคุณเดินถอยหลังแล้วฉะนั้นเราจะประมาทในสุขภาพไม่ได้พุทองค์จึงตรัสว่าอารโคลยัปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นล่ามันประเสริฐบางคนก็ประมาทในเวลาว่าเรามีเวลาเะฉันจะอยู่ไปถึงร้อยปีไม่ต้องห่วง เที่ยวประกาศ ก, กับใครต่ใครไปทั่วว่าจะอยู่ร0อยปีให้ดูพอใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปไม่ถึงร้อยปีหกสิบต้นต้นก็ล่วงไปซะแล้วเรามีเวลาจำกัดมากพระพุทธองค์จึงตรัสว่าอาเชวะกิจจมาตาป้าวควรทาวันนี้ให้ดีที่สุดนะกวชัญญามารณะนุสเวเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงหรือป่ะวันพรุ่งนี้ในปฏิทินอาจจะเมย แต่ในชีวิตจริงอาจจะไม่มีฉะนั้นอย่าประมาทเวลาประการ่านหนึ่งบอกว่าไม่มีใครกระโดดลงแม่น้ำสายเดียวได้สองครั้งนี่คือสัจธรรมเฮราคลิตุสพูดว่าไม่มีใครกระโดดน้ำกระโดดลงแม่น้ำสายเดียวได้สองครั้งเพราะสายน้ำนั้นไหลอยู่ตลอดเวลา สายน้ำชันใดสายชีวิตชั้นนั้นทุกขณะที่เราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจที่ไหลออกไปแล้วกับลมหายใจที่ไหลเข้ามาไม่ใช่ลมอันเดียวกันอันที่ออกไปแล้วก็ดับไปแล้วอันที่เข้ามาแล้วก็หายไปแล้วไม่ใช่ลมหายใจอันเดียวกันลมหายใจเกิดดับเกิดดับชีวิตก็เกิดดับเกิดดับ เราเห็นว่าเรามีเวลาเยอะๆนั่นเป็นมาจากการเท่านั้นในพระไตรปิฎกเราพูดตรงตรัสว่าเวลาที่ช่างทอหกกาลังทอหกอยู่แล้วเธอดึงได้ออกมาทอทอด้วยความสําราญบานใจหันไปมองได้ที่หลอดได้รู้สึกประมาทมาได้ยังเหลือเยอะก็เลยทอด้วยความสําราญบานใจ ทอแบบไม่บร ญ, ญามันอย่างทอไปทอไปสักพักจู่ๆได้หมดตกใจได้หมดแท้ที่จริงได้ไม่ไดีไม่ได้มีมากอย่างที่คิดที่ดูเหมือนนูนๆเหมือนมีได้มากๆนะไม่ใช่แกนได้มันใหญ่เราทุกคนก็เหมือนกันเราได้ทอหู่แห่งชีวิตของเราโดยมีได้ที่ชื่อวันเวลาที่เราสาวามาใช้ทุกปีทุกปีเราสาวเอาได้วันเวลามาใช้ หลักฐานก็คืออายุที่เราได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฉะนั้นอายุที่ได้มาก็คือเส้นได้แห่งการเวลาที่เราใช้ไปอายุที่ได้มาก็คือเส้นได้แห่งการเวลาที่เราใช้ไปคุณอยาคิดนะว่าคนมีได้เหลือเยอะนะที่เห็นเยอะๆน่ะมันหลอกตาได้มีนิดเดียวแต่แกนได้มันใหญ่มันเรนูนขึ้นมา ฉะนั้นคุณก็เลยใช้เวลาอย่างไม่บรรยัญญบรรเดิงบางคนฆ่าเวลาด้วยซ้ํามีเวลาให้ฆ่าเนี่ยนะทั้งทั้งนี้เวลาทุกขณะนั้นไหลไปแล้วครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตของเราฉะนั้นคนฉลาดก็ไม่ฆ่าเวลาเขาไม่พร่าเวลาด้วยเขาจะใช้เวลาดังหนึ่งเวลานั้นเป็นเพชรเนินจินดากวีใหญ่อังคารกาลยานพงษ์พูดไว้น้ําไหลอายุไขก็ไหลล่วง ใบไม้ร่วงชิบก็ร้างอย่างความฝันค่าเวลาคือพระค่าคืนวันจะ ก, กำนานโลกนี้มีงานใดน้ำไหลอายุไขก็ไหลร่วงน้ำไหลไม่ใช่ไหลอย่างเดียวนะอายุเราเนี่ไหลไปด้วยนะใบไม้ร่วงชิบก็ร้างอย่างความฝันใบไม้ร่วงลงในราวป่าก็เหมือนวันเวลาที่ร่วงไปร่วงไปในแต่ละคืน พระพุทโธจึงตรัสว่าวันคืนลงไปลงไปบันนี้เธอทำอะไรอยู่ค่าเวลาคือผ้าค่าคืนวันคนที่ใช้เวลาไม่เป็นก็เหมือนคนที่บันทอนประโยชน์ที่ควรจะได้ในแต่ละวันจะ ก, กำนานโลกนี้มีงานใดวันหนึ่งคุณจะตายหมดถามหน่อยคุณมาอยู่ในโลกนี้คุณมาใช้ทรัพยากรของโลกนี้ คุณกินอาหารบนผืนแผ่นดินเถ่นนี้คุณหายใจเอาอากาศบนผืนโลกนี้คุณสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่บนผืนมหาปฐพีนี้คุณใช้ทรัพยากรของโลกมากมายเลือกเกินคุณตักตวงจากโลกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรวันหนึ่งคุณจะจากโลกนี้ไปคุณจะคืนอะไรให้โลกคุณเตรียมไปบ้างไหมเคยคิดไหมอะไรที่คุณจะคืนให้กับโลกจากกนานันโลกนี้มีงานใด อาจารย์ถวันดัชนีเนี่ยท่านเกิดมาช่วงใช้โลกและท่านก็เตรียมของที่จะคืนให้โลกคืองานจิตรกรรมซึ่งประเมินคุณค่าไม่ได้นับพันชิ้นฝากไว้ทั่วโลกในห้าทวีปเมงานของท่านกระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งฉะนั้นท่านตายจากโลกนี้ไปโดยไม่เป็นหนี้โลกแนหน้าไม่ไอ้ฟ้าก้มหน้าไม่ไอ้ดินแล้วคนคนนี้ฝากงานจิตรกรรมกำนันให้กับโลกไว้แล้ว ฝากงานสถาปัตยกรรมกำนันให้กับโลกไว้แล้วฝากแสงเพลิงแห่งปัญญาที่รุ่งโรจน์ชดช่วงดังดวงตะวันเป็นคบเพลิงเอาไว้ให้คนรุ่นหลังใช้สองทางแสวงหาแรงบันดาลใจไว้เรียบร้อยแล้วปัญหาก็คือเราฝากอะไรไว้บางคนก็ประมาณในธรรมะใครชวนไปทำอะไรดีๆก็เอาไว้ก่อนนะวันหลังค่อยทา ถึงวันพ่อก็ไม่มีเวลาให้พ่อถึงวันแม่ก็ไม่มีเวลาให้แม่ถึงวันเกิดลูกก็บอกลูกว่าเอาเค้กมาเป่าที่บริษัทพ่อเนี่ยคุณไม่มีเวลาให้สิ่งดีๆที่คุณควรจะทำมีพระมาเทศน์มาสอนแทนที่คุณจะฟังด้วยความอ่อนน้อมผ่ำนตนคุณก็กระแนะกระแหนพระว่าเป็นตำรวจศีลธรรมเป็นคุณพ่อรู้ดี ยุคประชารที่ปไายพระไม่ต้องกาสอนคนที่ไม่แครศีลธรรมอย่างนี้วันหนึ่งเจียนอยู่เจียนไปขึ้นมานะ่ะร่ำร้องมองหาพระอยากให้พระมันนำทางอาตมาเจอมาเยอะมากบุญไม่ทำกรรมหนสร้างวันหนึ่งเจียนอยู่เจียนไปอาการเข้าขั้นตรีทวดคือเพ้อแล้วลมหายใจขาดเป็นห่วงแล้ว อนนี้จังทุกขังอนัตตามารออยู่ข้างหน้าแล้วเขาเรียกวัดตรีทูดทูดทั้งสามอันนี้จังคือไม่เที่ยงทุกขังคือเจ็บหนักอนัตตาคือไม่สามารถบังคับร่างกายได้แล้วบังคับลมหายใจก็ไม่ได้แล้วนี่เขาคันตรีทูดถึงเวลาเจังอยู่จังไปอย่างนี้นึกถึงพระให้คนนั้นมานี้มนให้คนนี้มานี้มนต่อให้นิมนไปได้คุณจะทําอะไรได้พัไปเทศอยู่หัวเตียง หมูคุณไม่ได้ยินแล้วพระเป็นนั่งอยู่ข้างๆคุณก็ไม่สำมเนียกรู้แล้วมาพระกับคนอื่นต่างกันยังไงพระเป็นนําทางให้คุณก็ไม่มีแรงที่จะพูดตามพระแล้วสุดท้ายคุณก็จากโลกนี้ไปในสภาพไม่รู้แห่งหนหลับตาลงมีแต่ความลึกลับดำมืดมองไปไม่เห็นเลยว่าได้ทำคุณงามความดีอะไรเอาไว้ ทรัพ ส, สมบัติบรรดาเมียที่สั่งสมเอาไว้เป็นของโลกโลกให้ยืมใช้ชั่วคราวสรรพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรเป็นของฉันคุณมีชื่อเสียงคุณมีเงินทองคุณมีตําแหน่งคุณมีเครื่องรักอิสรยาภร์คุณมีบ้านคุณมีรถคุณมีลูกแก้วเมีเขวานสุดท้ายคุณไม่สามารถหอบอะไรไปได้สักอย่าง คุณมาคนเดียวยังไงคุณก็จะไปคนเดียวอย่างนั้นสรรพสิ่งคือของใช้ไม่มีอะไรเป็นของฉันจริงๆโบราณท่านจึงว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกชะไหนเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าเจ้าจะอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาจําไว้ให้ชัดๆโลกหน้าไม่ใช้เงินไม่ว่าจะสะกุลบาทสกุลดอลลารสกุลยูโรสกุลปอนสกุลรูปี สกุลจัดลงหน้าใช้บุญใช้กุศลเป็นเสบียงครังในการเดินทางฉะนั้นคนที่ประมาทธรรมะไม่ทำคุณงามความดีอะไรไว้เลยเพอหลับตาลงจึงไม่เห็นผลว่าข้างหน้าเราจะไปไหนคนอย่างนี้เวลาจะตายก็กงังวลบางคนถึงขั้น ต, ตายตามไม่หลับเพราะกลัว ฉะนั้นเราจะประมาณในคุณงามความดีไม่ได้นะถามตัวเองว่าเรานี่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเอาไว้บ้างไหมวันหนึ่งเราจะตายกันคุณทำความดีอะไรเอาไว้บ้างอาจารย์คนหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยท่านเขียนเอาไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานศพของท่านว่าหากวันหนึ่งผมตายไปแล้วมีคนมาถามผมว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้ผมจะยืดอกตอบอย่างภาคภูมิใจว่า ตอนเป็นคนผมสร้างมหาวิทยาลัยไว้แห่งหนึ่งแต่ละปีมีเด็กมาเรียนนับหมื่นคนนี่คือความดีของผมอตาตมาภาพได้อ่านแล้วพลอยโมทนาสาธุ อ, อาจารย์ท่านนี้ท่านมีความดีที่เอาไปอวดย ม, มาบาลได้แล้วคำถามคือเรานี่มีอะไรจะไปอวดท่านอ่ะพอลุงรับดับขันไปนี่ไปยืนอยู่ตรงหน้าคอเซนเตอร์สวรรค์เล่นลนรก ท่านจะสอบสัมภาษณ์ประตอนเป็นคนคุณทำอะไรอาจารย์ถวันดัชนีนี่ท่านยืดอกตอบสบายเลยโอ้ยผมสร้างบ้านดํานะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิละปะซึ่งหาค่าไม่ได้ผมรังสรรค์จิตรกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมเอาไว้นับพันพันชิ้นในห้าทวีปของโลกนี่ท่านไม่อายโยมทูด ยมมาทุ่ดในอายมวนเลยเจอคนจริงอย่างนี้เพราะคนคนนี้มีคนงามความดีเยอะเหลือเกินคำถามคือเราอะนะมีไหมมีอะไรที่จะไปยืดออกตอบท่านอะคิดฟังให้คิดฟังให้พิจารณาให้ดีๆนะฉะนั้นความตายนั้นเป็นสัจธรรมที่เราต้องรู้คุณจะหลับหูหลับตาไม่ได้คุณต้องสบตษากับความตายเมื่อคุณมางานศพคุณอยาสักแต่ว่ามาคุณต้องเปิดหูเปิดตาขึ้นมาเรียนรู้ ให้ฉเฉลียวฉลาดให้ทันสัจธรรมของชีวิตความตายเป็นสัจธรรมที่ต้องรู้การดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนั้นเป็นจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็อย่าประมาทในห้าสถานะหนึ่งอย่าประมาทว่าชีวิตจะยืยนยาวสองอย่าประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาวสามอย่าประมาทว่าสุขภาพเรายัางแข็งแรงสี่อย่าประมาทว่า เวลายังมีอีกมากและห้าอย่าประมาทว่าคุณงามความดีนะหรือเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำถ้าเราไม่ประมาทในห้าสถานะนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดและวันหนึ่งผีความตายมาพราคไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจมาเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อ น, นั้นเราพร้อมพร้อมจะไปพร้อมจะตายไม่มีอะไรให้ต้องกังวล ดังหนึ่งคนงานรอสัญญาณระฆังเลิกงานเสียงะระฆังเคาะก้งขึ้นมาเมื่อไหร่ผ่ะงานได้ทันทีและพ่ะยังมีความสุขคนที่มีคุณงามความดีพร้อมพอสัญญาณระฆังแห่งความตายดังขึ้นเขาก็บอกตัวเองว่ามาเมื่อไหร่ก็แปลเมื่อนั้นไม่มีอะไรต้อง กินแหลงแขลงใจฉะนั้นในค่าคืนนี้จึงฝากพวกเราเนาะเอาเมล็ดสติภาวนาที่พูดในค่าคืนนี้ไปคิดนึกตรองนะคืนนี้ไม่ไม่แวะข้างทางเลยนะพูดเข้าเรื่องทันทีเพราะเรามีเวลาจำกัดฉะนั้นให้นําไปพินิจนําไปพิจารณาให้ดีแล้วใช้ชีวิตในทุกวันด้วยความไม่ประมาทโดยทั่วกันเธอ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 หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆตามสมควรแก่เวลานะคะ ขอเธอผ่อนผักอยู่เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันหนักปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจเท้าลม หาใจออลมหาย Thank you. จระเมธีก็จบลงแล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนทุกท่านการุณายืดกายให้ตรงดำรงสติ ทุกชนทุกท่านกลับมาตามดูตามรู้ลมหายใจอย่างสบายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ตามดู ตามรู้ลมหายใจอย่างสบาย ส, า ย, สายตามสมควรแก่เวลานะคะ Be.